คลายความวาผูกพันใจใ จ, จะอยู่ยกั บ, กบตัวเข้าสู่ภา<ท>ยในเริ่มต้นให้ถูกต้องจะได้ไม่เสียเวลาตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะหลับตาเบาๆพอสบายๆให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายๆคือลัพยามิ บ, บีบตาอย่าเม้มตาเหมือนฟือนๆตาสักนิด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 จะได้เป็นที่พึ่งที่เระลึกของเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบา ร, รมีเราจะได้ทำกันต่อไปยังมีความสุขสรุกกับการสร้างบา ร, รมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะคลายความผูกพันเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือ ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเราไม่ดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องสองเงาหน้าบ้างเหมือนน้ำบ้างกมลมรอบตัวเหมือนดวงแก้กะยะสิธิ์ที่เจรันแล้วเป็นอย่างดีแล้วเราก็นึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งการคุ้งไปคิดเรื่องอื่นทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงกายมันก็ไม่เบาใจก็ไม่เบากบาย จ, จะทึบตื้อตื้อตันตันคาบแคบ อ, อึดอัดไม่ขยายเพราะฉะนั้นวิธีจะทำให้กายเบาใจเบาขยายต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลักมีอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างไรให้ใคลายความผูกพัน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 เอาใจไปวนๆอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแข่งสาลอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์วนๆแล้วก็บทไปชาติหนึ่งเราเป็นนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่นอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกายมันไม่เป่าใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นรวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละสีสิบห้าพันษาพระองค์ก็ทรง สอนตอบอย้ำเรื่องนี้อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็วนๆกันอย่างนี้พอเรานึกอย่างนี้บ่อยๆก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดล้วนผูกพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นอะไรก็พังหมดใจจะได้คลาย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 มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนเข้าความสว่างก็เกิดรูปรุนแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆใจใสจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่ใสๆคือเกล่้ยกล่วจากสิ่งที่เป็นมุลทินเป็นบาปอกุศลธรรมก็จะรู้สึกเหมือนหลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดมาอย่างแท้จริง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 ทำไมนั่งแล้วตื้อๆตันๆเหมือนจระเข้กบดานจะบางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูทําไมมันนิ่งเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานตื้อๆตันๆอย่างนั้นนั่นก็เพราะเรามีความตั้งใจมากเกินไปมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากเห็น เขาจะใช้ตอนก่อนนั่งแต่ลานั่งเขาใช้ความหยุดหยุดความอยากความเป็นสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์แม้อยากจะเห็นธรรมมกก็ตามซึ่งจิตก็เป็นกุศลธรรมแต่เจอไปด้วยโมหะคือความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นประสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูเพราะเรามีความอยากเข้าไปเจอโดยไม่รู้สึกตัว เพราะรู้ว่าถ้าเห็นธรรมะแล้วดีจะไปนรกไปสวรรค์ก็ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะความอยากแท้จึงทําให้แย่อยู่ทุกวันอยากคิดว่าเราล่างแล้วศูญย์เปล่าไม่ก้าวหน้าต้องหยุดอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่ๆหรือแม้มีอะไรใหม่เราก็ต้องหยุดเฉย ไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆช่างมันไม่ได้แปลว่ากรองนั่งแล้วศูญเปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้านั่งรอคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความรู้สึ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็ขันให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เหมือนปลวกที่ขนดินเข้ามาก่อเป็นจอมปลวกเหมือนเรารดน้าที่โคนต้นไม้ต้นไม้จะเดินขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตให้ออกว่ามันโตขึ้นวันละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนแต่เผลอไปเดียวยวมันก็จะมีผลให้เราได้ชื่นใจได้ริมรถการทำสัพมาทิภาวนาก็เหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบาย รักษาใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่าไปคำดึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำดึงถึงว่ามันต้องขวา่ามันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำวา่าเองไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้เกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกไปบ่อยจนจนเป็นวสีจนชนานาญตอนนี้เราทาให้เกิดขึ้นได้แต่ในขั้นตอนนี้เราไม่ชนานาญยังจับจุดไม่ได้ เราก็ยังทำไม่ได้แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างเผาวนตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงเราต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำต่างๆที่เราฟังผ่านๆไปหรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุน้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้เราก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทาอย่างนั้น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 เชื่อเถิดนะลูกนะเพราะคำนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพ ร, ะรมศาสดาว่าสรพนะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ได้หมายถึงหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆสบายๆ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 กหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เราจะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษารเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่จากวิชาชีวิตสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวประเดี๋ยวประดาแล้วก็พัดพาดกันไปเท่านั้น ไม่เราพัดพลากจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลากจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกพบทุกชาติผ่านมาแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะยิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทาให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยานพระโพี่ว่า นัตถิสันติปรมสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีได้เป็นอย่างดีเลยฝึกทุกวันทุกอิริยาบถไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้นะฝึกทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซร์เราก็ทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยจะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป นอกจากคนตายคนไม่ได้ทําคนบ้าเท่านั้นเพราะเขาสูญเสียระบบประสาทการรับรู้คนตายแล้วก็ทําไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโนฮาวมีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจเรามีประสบการณ์ภายในที่รอคอยเราอยู่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนและเรียนรุปาลฝันในฝันวิทยาได้มาแบ่ง ปันประสบการณ์ภายในเปิดเผยให้เราได้รับทราบทั้งเครือหัาและบัรญาชิตทุกเพศทุกวัยได้ยินได้เห็นจนเจนตาคุ้นหูอยู่แล้วพ่าะฉะนั้นเราก็ต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีพยายามฝึกไปนะในทุกอิริยาบทในทุกประสบการณ์ดินอากาศฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเราจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นคงทาได้ยาก ก็ามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือสิ่งว่ดล้อมเหล่านั้นได้แล้วจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละจะมีความเย็ยนกายเย็ยนใจสบายอกสบายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพ ร, รังธาตุอะไรในตัวฝึกกันไปเรื่อยๆการห ย, หยุดใจเป็นการเชื่อมบุญเก่ากับบุญใหม่การหยุดใจนี่ทาเท่ากับ เราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทําผ่านมานับพกนับชาติไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่ทุกบุญในบุญทกิริยาวัตถุสิประการหรือในบรมีสิสามสิบทัดก็จะมาเชื่อมกันเป็นดวงบุญหนาแน่นที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารให้หมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสําเร็จติดตัวเรามากับบุญนี้จะได้ไปรื้อผังเก่าตั้งผังใหม่ ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพ ส, สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพชาตินี้ที่จะเพื่อูณต่อการสร้างบุญมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันที่เรากําลังสร้างบุรมีอยู่ให้มาติดอยู่ที่ร่างกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพยาบ ม, มาให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษ า, เ ร, าเรียนและในทุกสิ่ง ทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะฉะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประครับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดยิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนามาตั้งแต่เบื้องต้นนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะ คืนทะเลมุ่งขึ้นเนินสไล่ลูกธนูมุ่งครูไปสู่เป้าฝนจากยอดตดอหลายๆมุ่งสมบุรนักรบรค้ามุ่งเข้ากลางให้สุดตา